ระธรรมนเทศนา จ, จะดกเรื่องดังนวนคำผูกที่สามเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยอินสมชัยชุมพูรเรียนทำฮุกประโยคนักรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นาโมตตะพะกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทาโคสักกัสสปันดุกัมปะลาสิลาสานังอุหาการังตัสเสสีติ ส า, าวุดุราสาปุริตาตั้งหลายอันคานิ่งมายใครภากป้นเสียจากสงสารได้ถึงนิพพานเบียงแกว้วเป็นตีแลออกปลลุ่นจริงก็ตามบุญบ่ฟอนตั้งแต่ก่อนปังหลังคือได้ตันยังเข้านำบัตุผัรมปัจใจ รักษาสินใสห้าแปดกำหนดแขวดนภาวนาตามศรัทธามักใฝ่ตามปฏิบัติได้ภัยมันแล้วปะกันทวนนานั่งอยู่ท่าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อปางเจ้านอบุญภ่ายกับคำใจพี่ไอ สุกร้อนร้ายคืนวันจริงปะกันลาภาคนี้ออกจากเคลื่อนตนใจเมาวนโซกาเอาไปนาเป็นไม้ลวดพันภายไตเต้าเข้าปะเสาดงนาตามเทวาดาเตือนทองหากจากจ้องปะไฟย้ำตาวันใสคำลา ดาลป่าดองตันสองจอมควันไตเต า, ตาไปรอดเก้าลุงคำอิดนาลำอ่อนมอยนอนแล้วมอยลบไปจักเป็นสันใด้ไปนาอดใจทาดาฟังแดดเตออาทาขอสักกาซาปันดุกรรมปาลาศิลาสตาังอุนหาการังตัดเสสี ย่อมเมื่อสองกุมมันนอลาดอนปื้นเก้าลุงคำอันบักหินปันดุกรรมปละศีลอาตแห่งเทวาทีราชอินตาปะกะติมาแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนสุขุมมันก่ อ, อบันดาลขาดางห้อนแข่งข้างเสมอหินโดยเตจสิีนฝั่งก่อน แห่ง้องน้อยอ่อนกุมม้านและสมปานมากว้างอันได้สร้างตัวตั้นขุนสวันตนวิเศษไขรหูเหตุขีญจิงเล่งตาตีบสองยังเขตห้องจุมปูพิจจาระนาดูเสียงไข่ถึงปะไม้ดงดานก็หันกุมมานตั้งกูนอนเศร้าอยู่กลางดง จุ่มผีพองอยากไร่เตี้ยวต้องภายไปมาคุณอินตาูฮแล้วก็กาดแก้วภายพันจากสะวันเตตองลงสู่ห้องใครสนเนรมิตรตนบ่จะเป็นนูป่าตัวงามเล่นมาตามกิ่งไม้แล้วเต้นใส่สองขา ตาสาวาราผู้น้องสะดุ้งร้องว า, วายวายว่าหนูมากกลตีไกหนี่เขี้ยวใสปูนกวัวเต้นใส่ตัวแห่งขาพี่ยาจ้าเร็วปันหยับเอามันหือใดเอาค้อนใสสันหลังผู้ปีฟังกำน้องบอกขึป อ, องสงใสรีบเร็วไวหยับใดยังหนูใหญ่ตัวงาม ก่าวคำร่ำบอกเจ้าว่ากูัวจะขาบมึงตายหฮ่ววาำวายมวยมางบ่เฮือข้างยืนไปหนูก็ไข่ตอบทอยว่าขอจุงปล่อยวางตำจะเป็นกรรมบาปกากันตัวขาเมื่อมอนกางดงดอนป่าไม้ขาหากได้หันมาของนาหน้าหลายสิ่งวิเศษนิ่งหลายอัน ข้าจากักไข่ปันบอกกล่าวหื้อูข่าวต่างไปในดงไพรปากว้างตีอยู่จ้างสิ่งเสือไปตั้งเหนือจากนี้ข้าจักจี้ไข่ปันข้าได้หันนดองใหญ่น้ำนันใจสามานดังคำขานลลอมหล่อเฮาเล็งพอ่อแดนไก่หันน้ำใส่มามาบกันได้อาบลอยดำ ในนำคำดันเล่าแม่นแก่เท่าจารามีกาญะเหี่ยวแห้งตาบ่อแจ้งหันหนจักกายเป็นคนพงหนุ่มสีดาจุ่มมีวันมีผิวพันธพิลาดงามสะอาดป่อตากันเด็กขาได้อาบตีตาราบนองคำ เล่นลอยดำฮือไข่ตัวจักใหญ่สูงมาดังวัดศาสิบเก่างามแต่เหล่าเหลือคนกลางนองบนนั่นใส่มีเก้าไม่เป็นยาเมันมัวรน า, าตายจากละต่อดสากถึงปีเอาอย่าดีนั่นใส่ย่อมฟื้นใดขคืนมามีรัตนนาผาเสดเกือกแกวเลิศกวรเมือง ใส่ทงเหลืองห้อยไว้ตีเก้าไมอยายำอยู่กลางหนองคำบิเศษเป็นแก้วติบเตจียงคานอธิษฐานใจไฟมักใครได้อันใดย่อมสมใจกูเชือตามไฟเอือรผาทานาโซสองขาพี่น้องมาตกต้องดงดานย้อนสมปานปังกอน หากจักสนน้ำตั้งจุงรีฟังตัวคาอย่าได้จ้าเร็วปันกันถึงวันผูกเจ้าก้อยไตยเต้าไปก้อย <c oughs> ตามแนวรอยข้าก่าจักหูข่าวสัดจังกันหันยังนองใหญ่หันต้นไม่ย่าย้ำหันธงคำหอยไว้ ที่เก่าไม่กางนองกันสูปองเอาใดจักภาพเสียงไข่ปฐวีมีฤทธิ์ีอาจกาเลือตัวนาจุโปักันว่าหนูก เ, อกอกเก่าแล้วก็กาดแก้วหายไปก็มีหันเลยนะ ตัดสาวิพาตาญัติยากันคืนนั้นแจ้งรุงสายฟ้าปุ่งเรื่องไรส่องสายใจอ่อนน้อยกึนรอถอยกำหนู <c oughs> ว่าก้วันไปดูที่แจงหฮือเสียงแห่งสังกาจิงไก่กาไตาเตาจากพื้นเก่าลุงคำไปตามํำดูเก่า ก็รอดดาวโบครณีสันธานมีสีแจงดังคนแต่งดังดาสักุณาหน่อยใหญ่บินควักไควสะสนดอกนิลุบนดอกปาน <c oughs> มีจุดานหน้าน ำ, นำนำเป็นคำมามาปอสาราบสายตาหันลุข่าใบกรรมอยู่กลางน้ำโบครารณีกิ่งการมีปูนพอ ดอกเป็นจอ บ, บานเรืองมีทงเหลืองห้อยไว้แม่นเป็นเก้าไม้ยายำสององค์คำหันแล้วดังดูแก้วไขฟันจิงปะกันลงอาตดีตาราฟังทานบ่อปอนานสรำเนื้อตัวพัมสูงมาดังวัดสาสิบเก้าปีน้องเต้าเพียงกัน <c oughs> มีผิวพรรณวิลาศงามสะอาดยังขานส่วนกุมามรผู้ปีบบ่มีตีสงสัยจริงลงไปแถมเล่าไปตีเก้าลูกคาอันเป็นยาวิเศษตั้งอยู่เขตกลางนองก้อยทาริปองเข้าไกฮักกิิงใดเอามาตั้งถ่งปาใส่แก้วกันได้แล้วขึ้นหลัง ขึ้นไปยังบนฝั่งปีน้องนั่งกอยแยงหันแก้วแป้งก่ามาตีแต่หากวดเมืองเจ้าบนเรืองผู้ปีก็กาวเกาีขีญยาว่าแก้วดีน่าใจจ้าเป็นแก้วฟ้าเมืองอินแม่นอาจินใครใดยังคงเครืองใจขว า, ขานกันอาิษฐานเมียนแล้ว บอการแกออมีมาส่วนไม่นี่นาวิเศษหนูแจ้งเหตุอุบายว่าแม่นคนตายลาภาคตอดละศากถึงปีเอาอยาดีนี่ใสัยย่อมฟื้นได้คืนมาตั้งสองขาน้องปีมีใจกี่ใจจมอภิรมด้วยแก้วใดพร้อมแล้วยาดี แล้วล่ะนี่จากทันบุบุญดันดองดอนขำกอนอนอยัางจอดแจ้งแล้วสอดเตียวไฟลัดดงไพดันป่าเอาสื่อน้าเป็นหมายก็มีหันแลยนะเตกุมมาราอันว่าซองกุมมาร์ปีน้องแอวเทือนทองดงดานมีใจบ้านจื่นสูลาเล่นอยู่ในดองสะพายทงวิเศษ แกอติบเตดเมืองอินตั้งยากินหลอกคาบอาจากภาพปัทวีสองบุญมีพี่น้องบอกหูจองหันหนุนไข<อ>้เมืองคนเลี้วหลดลายรอยหยดกานาดาคา น, านิงหาจองจองไข่ปอกของเพียงใจลัดดงไพดันฝ่าเอาสือนาเป็นไม้ วันขึ้นไลหดวงแล้วสองนอแก้วเดินดงกันตาวันลงก็จอดแจ้งแล้วสอตเตียวไปยังมีในวันหนึ่งเล่าสองนอเน่าหิวแรงเตียวบอแข่งอิดอ่อนจริงยังยอนนอนเศร้าพืนรมเงาไม่ใหญ่ตีจิมไก่ด้อยผ่าลมจอยมาสาซอยลวดมาโม่ลับไปเลยนะ ตาตาในกาลนันไซยังมียักษ์ใหญ่ทรงเมืองริดที่เรื่องยอดเงาภาพตัวเดาวดงดอนอยู่นากรอใหญ่กว้างที่จิมข้างไกลาดกิรีเซนามีอ่านหมื่นอยู่ระรื่นแห่นกันส่วนเจ้าหอจันยักขาราตุกไม่มาดมองขีเหตบอบีหน่อเนื้อไว้สืบเชื้อแตนเมือง มีคำเครื่องคำเจ้าถึงแก่เท่ารวยแรงเปียที่แข่งหลายลูกมาต้องถูกสันดานบ่อปอนานสักหยาดก็กากาศมราณา ก, กัมโสกาศไม่เกิดขึ้นไข่ปูรีเสนาบดีนกใหญ่ผู้ไข่สัปพการก็หืโยทหารเป่ารอง ไปไข่ห้องเวียงใจเฮคนในไข่ไตหัวแจงว้งไข่ตามมีว่าบัดนี้เจ้าปุรีที่ราติีวิตขาดบำวายเหญิงใจจูผู้ใดเก่าอปันกันแถมเจ็ดวันไปนาจักเผาเจ้าฟ้าบุญเรื่องเอเจ้าเมืองจูผู้ออกไปสู่ดงดาน หากวางฟันแรวด จ, จางนำมาหังกินป่อยซอกตามดอยน้อยใหญ่พับเสียงไขดงนายับสัดนานาขูเจือนำมาเพื่อกินสุมจักจุ่มนุมพร้อมนาเผาเจ้าฟ้าเราราเลยนะ กันได้ยินเสียงเป่ายักหาเท้าดวงลายก็พันภายบ่อจ้าออกซอลากว่างฟานพับดงดานเถือนทองเสียงโหร้องเดืองดันบุญเกวันคุมไม่เปืือกโซไล่เสวงหายัางสัตนานะป่ากวางพงได้จ้างกว่างทราย ท่องได้ควายละมังบอกนาขังเป่าเฟื้อยยักษ์ก่อเลยไหลใดเอามาไว้กินสุมสัตว์จุ่มนุมในป่าเต้นส ว, สว่าเป็นสายเล่นนี่ตายบ่ยูป่าปอโลเป็นกองอยักษ์ปุ่มปองแล่นไหลสันานไข่ไพรสนยังมียักษ์ตนหนึ่งเล่ามันบอกเขาเจ้าจุม ย้ายบ่หุ่มตัวหมูมันออกสู่ด้งเขียวไปคนเดียวบ่มีเปื่นก่อยดันเทือนด้งตันก็ไปหันสองเจ้าตีปืนเก้าเฟือย น, นานอนลับตาสอดสอ ด, สอดบอกหูรอดอันตารายนักผีพายเข้าไก่เป่ามุนใส่สองสลี คือหลับดีบอตื่นบ่หูฟื้นการยัยักดงนาใจถอยยินเจิญจ้อยจมบ้านว่าจุ่มอาหารไต่ฟาบ่ล่ากว่าเหลือคนกูมาดนเข้าใส่เป็นจุกใหญ่นานํามันก็กําสองเจ้ายัดใส่เข้าวถงปล่า รีบปอกมาบอจอต่อเต่ารอดเมืองมันแล้ว เ, เรียวปั้นดวนหาวไปสู่ดาวเฮือนดวงยักษ์ปันปวงหน่อยใหญ่มาพร้อมไข่ตั้งคงกันวางธงบอดจ่ากลางสองนาเย็นพายแล้วกดท้าวายขาบับไปสึงนางยักษ์ใหญ่ราจเทวีวาคานิวีจกใหญ่ ได้คนโลกไตสองใจขอย้อถ้าวาัยแม่เจ้าไว้กับเราวันลุนยักเขียวสูนเก่าแล้วก็เสกมนแก้วเจียงขานใส่กุ ม, มานตั้งกู่เฮไดหูคิงมาก็มีหันแหลนะา สเปนยักษ์ขาอันว่ายักษ์ตั้งหลายหนุ่มเท่าหันสองเจ้าบุญลือต่างอาอือยื้อพอ่างงามแต่นอสองใจนางยักษ์ลายน้อยใหญ่วังแวดไกลลำ ม, มาว่างงามแต่กาใจอ่อนผิวเบาผ่อนมีสีมาปูนดีไข่ได เอเมื่อไว้เป็นผัวพ้องไขหัวตัวห้องว่าควรเขาต้องเราราเจ็ดวันมาไปนาก็อยหลาบซาซุมกันสีเ่ียงเดืองดันซาสุปอบ่อกไปได้บอกกันไปซาเศร้าไขดาวปุรี ส่วนยักษ์ี่นี้อย่าปร่อยอันเป็นไม้ัวตายเล็งหันใจส่องหนอดป า, ากลลอสัพันว่าจินมันมันแต่ใสกูหากใดเคยกินคนเตียวดินดีเล่ากินกับเหล่ายามแรงบ่อท้าแก่งหรือลาบเก้วสาวาบตึงลำ ยักอาธรรมแบ ม, มาย์กาวตางไาไลา่ภาการส่วนสองกุมามรปีน้องตกอยู่ห้องโรงกันยักดองตันตัวใหญ่วังแวดไว้จูปไปยินกัวตายหลยแ ล, ย ล, ยลยจรงกาวแกคำดีว่าขา้าแด่แม่เตวีเป็นเจ้า หนุ่มเนาสองใจบ่กลัวตายสักหยาดย้อนบอ่มีเจ้าจาดค้าคุณตั้งวงมูนพี่น้องบ่อ่วงคองคนใดตาเกิดใจจะใจใครเกิดใหม่หลายหน บ, บ่มีคนจักขาติงเข้าป่าเตี้ยวจอดสอดดงดอนป่าไม่ มาปะใสยักษ์ขาเป็นลาพาภาเสดจักได้เกิดปลายลุ่นเปื่อกกตตมบุญหลาจ่าตู่กึดขวาดไปมาแม่ผาญานี้เล่าจักโศกเศร้าเหลือลายย้อนพัวตายผาค้างตกบ่อห่างเสียตนกังเมวนร้อนร้ายเป็นแม่ไม้ตกผ่าน จักเปิ่งลานยินยาโขลงเต้าหากเหลือแห้งผัวรอมแป้งตายกว่าคนทั่วนาเตียนควันคนได้หันหย่อมเวนบ่อรวมเส้นต่างเตี้ยวตัวคนเดียวเปี่ยวว่างอยู่พาศาสกว้างเชียงจินดังอยู่ดิ้นต่ำไต รอนเอาไม่ปายในจักตกใจลายหลากดังย่ำฝากวิตรงเป็นดังวงแวนใหญ่แก้วโบใสเรือ่องงามไผ่โบทำไผห้อยไบอโบทำทอยจ่าตึง อยู่เริงเริงปางเป่าท่าลาบต่อเต้ายาวัาจิวังกันแม่ยังมักไฟไข้ฮือยักใหญ่ขึ้นมาตัวมียาหลอกคาบอนุภาพเหลือลายยาคนตายบ่ฟื้นฮือได้ตื่นขึ้นมากันแม่พาญาเจ้าฟ้าปล่อยตัวคาตั้งสองตัวจักลองจามใส่ เพื่อยักใหญ่ผู้ทอนอันเมื่อมอนกะผากจีวิจจากการ่าฟื้นขึ้นมาดังเก่าเป็นเจ้าเล่าสองหนและนะ <c oughs> อังสตัวยักขีนี้หยดเหงาฟังคำเก่าใครข า, านมีใจบ้านบ่อน้อยจริงตอบท้อยกําไป ว่ากำอันใดสู่เกาวหือห้อข้าวขีญยาโก้อาซาจะ า, ามบ่อหลวงคำสัดยังแเบนสู่ยังยาได้หื้อพญาหญ่ขึ้นมา เป็นพญาดังเก่าเป็นเจ้าเล่าสองตีของกูมีหลายสิ่งย่อมการยิงหลายอันกูจักปั่นกูเชื่อตามไปเอือภาภานะ้อพาธนากันสูญบ่ได้กูบ่ไว้าวางไปจักเร็วไว้กลับว่า ก, กาินต่อหนะ้าเสนาบัดนี้และนะ เมื่อนั้นสุราเมาผู้ปีมีใจกี่สมมนัจจจริงเอายาวิเศษได้จกเขตหนองคำเกี้ยวเป็นกำผูใส ย, ยังยักษ์ใหญ่คุณมานบอ่อนนนสารมยักษ์เท่าพัมติงตัวต้วงแต่หัวบ่อปากแก่งงกงักไปมา เจาะใส่ยาแถมเหล่ายักปูเท่าไข่กัมวะคลองกินล้ําแต่ก่อนสูมีอยู่บนแดนไดจุงเร็วไว้อย่าจ้าเอามาต่อหน้าตนกูตนบุญจูหนุ่มดาใส่ยาเหล่าหุนซามนักปุ่มลำยดใหญ่ลูกนั่งไดบัดเดียว แล้วรีบเร็วอุ้มกอดอยังสองน้อยหอดบุญนายกปาตาแห่งเจ้าขึ้นต่างเก้าเนื่อหัวว่าปุ่นดีกว่าแต่ใส <c oughs> คุณเจ้าใหญ่เหลือหลายค่าได้ตายก้อยกาดชีวิตขาดเป็นผีเจ้าบุญมีช่วยไว้จริงฟื้นได้ขึ้นมา Đ đ à, ย au, กักดงดายยดยาวก่อต้านกาวจะทว่าดุราจใจรามตั้งกู่สู่เจ้าอยู่เมืองใดเป็นคนไหนโลกลาหรืออยู่ฝ่าเมืองบนถ้าแหลงตนกะเป็ดมาสู่เขตเมืองเราส่องปิ่งเป้าบนกวางมักไฟอ่างสังจ้าจริงจักมารอดนี้ขอกา่าจี้ตามราย สองคำใจปีน <ny> anyway, ้องก็ตอบทองไขการฮือคุณมันยักษเทาได้หูเงินเข้าตามมีก็มีหัแนลนะเมื่อนั้นผาญายักหยดเหย้าได้เป็นเต้าสองตีฟังคำดีต้นต่อแห่งสองน้องกุมมันมีใจบ้านกินจ้อย จิงตอบถอยกำงามบาดูระสองคิงรามกำ้ายาได้วาจากไปจุงอยู่ในภาษาสกับขาราตราจา <c oughs> ขอเป็นบนุตาตาดอเนื้ออยู่สืบเชื้อแตนเมืองป้อ น, นี่เครื่องคำเจ้ามองบนเสาตั้งวันตกมาปันต้องถูกเหตุบอกมีลูกใจนิ่ง หาติปิงบ่อใดอันจักไว้แตนตนบุญกุศลจัดแล้วบ่อกาดแก้ว า, ายนิ้อส่องสลีปี่น้องดันเพื่อนทองบาจูขออินดูภูเาอย่าได้กว่าต่างใดขออดใจอยู่สร้างเป็นเจ้าจ้างทรงเมืองฮือรุงเรืองหยดใหญ่ฮือไผ่ไตเจยบาน สองกุ้มมันนอเนาฟังยากเท่าใครจายินคุณตาบอหน่อยบอตอบทอยกำได้เต่านึกในใจจักอยู่รู้บ่าใครกำก็มีฮั่นเลนะเททีทท่ตั้งขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุนางดวนคำผูกดวนสามปังใจรามปีน้อง รอรห้องผังกะแห่งพาญานยักษ์เทากางป่าเซาดงพรยจักสำรานใจหลายลาคือลำบากมองขีผ <c oughs> ูกสีมีจักก่าวหฮือหูขาวยาวไปผูกนี่ไขเตาอีเตานี้ก่อนแลกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล